กุฑวันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะดิฉันสรรเสริญนาคพงนะคะก็มาดําเนินรายการเพื่อที่จะให้ท่านทั้ง แต่คํา 2600 ปีเสร็จๆนะคะแล้วก็ๆกับท่าน เสริมในแง่ในมุมซึ่งดิฉันอาจจะไม่สามารถที่จะคิด 106 สําหรับตอน ก็นอกเหนือจากที่เว็บไซต์เผยธรรมะแล้วหากนะเอ่อจดหมายโดยส่ง 41130 ค่ะอัน ท่านมีศรัทธาสูงจริงๆก็ดิฉันว่าสมัยเนี้ยเขียนจดหมายยากเหมือนกันนะคะนะคะคือจะต้องไปหาสแตมป์จะต้องเดินทางไปส่งคือคือถ้าบางคนเค้าไม่ถนัดอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็สะดวกในเรื่องการเขียนจดหมายค่ะแต่ไม่เป็นไร เรื่องของความทุกข์ค่ะท่านค่ะ <c oughs> เร 3 ลักษณะค่ะค่ะเดี๋ยวมันก็ค่ะนะ 3 อย่างนะคือ ลักษณะทนได้ยากนี่มีอยู่ <Okay. S> 2 นัยยะ 1 นี้ข้อที่ 2 ความเป็น ปรุงแต่งให้สําเร็จรูปเป็นอีกผักเอาผลไม้มาปรุงแต่งผสม 3 ความเป็นทุกข์มี นะมีๆนะมันมี นะ, 3 อย่างอย่างนี้ 1 น่ะเป็นพุทธพจน์ที่ตัดอยู่ใน 3 ไอ้ข้อ 2 ที่บอกว่าความทุกข์มีเพราะว่าเป็นของที่ปรุงแต่งแล้วก็ปรุง 1 มีการเกิด 1 มี 2 มีการเสื่อม 3 เมื่อตั้ง นะถ้าอะไรก็ตามมีการเกิดปรากฏอะไรก็ตาม แต่จะพูดมีอยู่ในทุกขเวทนามั้ยมีสภาวะทุกข์มีอยู่ในสุขเวทนามั้ยมีแต่ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเข้าใจเนี่ยจะเข้าใจเฉพาะเรื่องของทุกขเวทนาแต่จะไม่ ไคสุขเวทนามันก็มีสภาวะทุกข์เหมือนกันทุกข์โควทาก็มีสภาวะทุกข์เหมือนกันจะได้สุขแต่ ไม่อยากฟุ้งซ่านก็ไอ้ความสงบก็ไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันมี ค่ะคือเนี่ยเราเราผิดตั้งแต่ตรงที่ว่าคุณอยากไว้ก่อนอ่าเอ่อถ้าถ้าอธิบาย <Okay. S 2> คือส่วนที่เป็นสุขกับส่วนที่เป็นทุกข์ใช่มั้ยเราต้องการเก็บไว้ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเราทิ้ง 2 ส่วนเนี่ย 1 ละผิดอย่างที่ 2 ดอก สิ่งปฏิบัติไม่ได้อืมอืมทําให้พอเราผิด 2 อย่างนี้ปุ๊บทําให้เราอะไรไม่อยาก 4 เราดันทําผิดอย่างความอยาก <c oughs> ค่ะเรื่องนี้ดิฉันว่าค่อยๆไปก็ดีนะคะไม่เคยได้ยินเพิ่งมาเคยได้ซึ่งอ่าดิฉัน ถ้าสมมุติว่าทําให้เขาเข้าใจง่ายๆอ่าอย่างที่ดิฉันเคยเคยรู้สึกว่าอ๋อถ้าเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวนี้นี่อาตมายังพูดไม่หมดไงอ๋อค่ะๆไม่หมดค่ะก็ สภาวะทุกข์ที่เกิดในสุขเวทนาก็ตามสภาวะทุกข์ที่เกิดในทุกข์ เหนือกว่าสุขเวทนาที่คุณวางไปนั่นมากค่ะจะอธิบายว่าอะไรนี่แหละคือวุ่นวายทําไมคุณบอกว่าความวุ่นวี่วุ่นวายตรงมันวุ่นวายเอางั้นงี้คุณวางซะความสุขเวทนาทุกขเวทนา มันเป็นสภาวะทุกข์ใช่มั้ยคุณวางค่ะตกๆแม่งจะพูดยังไงอ่ะอืมบ้างงั้นน่ะค่ะเพราะฉะนั้นถึงเข้าใจสุขนะ ที่ท่านบอกว่าต้องเข้าใจเนี่ยแล้วจะเข้าใจอย่างไรให้ง่ายที่สุดสั้นคือเราตามตามมรรคถ้าเราเดินคุณจะเข้าใจได้ง่ายสั้นที่สุดชีวิตคุณดําเนินไปได้คุณทํา ทางนี้แหละถูกแล้วแต่ว่าเรายังไม่ถึง 2 วัน 2 วันตลอดทั้ง แล้วก็ไม่คือหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาได้ความทุกข์ซึ่งดิฉันคิดว่าคนไทยและคนทั่วโลกเนี่ยผิดนะ <c oughs> ทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นความจริงที่สุดพุทธเจ้านะอย่างที่ควรจะเข้าปีแล้วค่ะอาตมาไม่ได้คิดใหม่นะถ้าเข้าๆและๆถ้าจะคิดเองเนี่ย คือคิดในเรื่องของเราเนี่ยก็พอจะรู้เหมือนกันนะว่ามันไม่ให้อืมในในเรื่องนี้ก็คือหมายความกันอันนี้เป็นสิ่งดีใช่มั้ยถ้าบทพยัญชนะให้ถูกเปรียบเนี่ย <our> <ize> มีเพื่อนรู้สึกทรมานกับคุณแม่เพราะไม่พูดความจริงว่าคุณแม่ป่วยเป็นอะไรเนี่ย ก็แยกไปเรื่องหนึ่งแยกไปเรื่องหนึ่งแต่ว่าจิตใจเราเรื่องศีลเนี่ยๆนะคะ เมื่อเราสามารถๆคือการอ่าถ้าๆอีกนิดนึงได้มั้ยคะคือมันมันไปด้วยกันมันไปด้วยกันคือ ละความเพลินสอนมากกว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยคือให้ 4 เลนนะ 4 เลนเลนนึงเป็นความทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคุณเดินอยู่เลนๆกันนั่นล่ะค่ะ ทางพระคุณพยายามจะให้ปิดประเด็นในเรื่องของความเข้าต้องและเรื่องที่สําคัญที่พระศาสดาได้ตรัสเอามากนะคะเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็สุขคือสุขเวทนากับทุกขเวทนาไม่เป็นเรื่องที่จะเลือกเอา ความอยากนั้นนะคะคืออ่าละตัวอยากแต่ว่าไอ้อยากในส่วนที่เป็นความเพียรที่เป็นกุศลนั่นก็เป็นอีกๆไป นิพพานได้ทําไมผ่านไปทําไมนะคะค่ะวันนี้คงควรแก่เวลาแล้วนะคะเจริญกราบค่ะได้ๆ ตอนฟังที่ครอบคลานเนี่ยคือรายการสังสรรค์สนทนาสังสรรค์ มีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ท่านนําเอาความรู้ที่ได้ไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับเพราะอะไร นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะวิทิ้ว